ใครก็รักสุขเกลียดทุกข์กันทั้งนั้นพวกเราก็คงเป็นเช่นนั้นด้วยเหมือนกันในความรักสุขเกลียดทุกข์นี่มันก็มีส่วนในการผลักดันให้เราเขียนหมือนเพียนในการทําการงานจะได้มีชีวิตที่ผาสุขมีอนาคตที่มั่นคง ไม่ลาบากนะมีหลับประกันในชีวิตความรักสุขเกลียดทุกข์ก็ทำให้ผู้คนจำนไม่น้อยพยายามทําความดีสร้างสมบูรกุศลหล็กนี้ความชั่วเพราะกลัวบาป ก, กรรมหรือวิบากมันจะย้อนกลับมาถึงตัวใช้ต้องประสบเคราะหกรรมและความรักสุขเกลียดทุกข์คงเป็นเหตุให้เรามามาถึงนี่นะ มาภาคเพียรปฏิบัติธรรมเดี๋ยวแล้วก็ตามเนี่ยความรักสุขเกลียดทุกนี่มันก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันนะมันสามารถจะก่อปัญหากับเราได้เพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่เรารักสุขหรือว่ารักสิ่งที่ให้ความสุขกันเราตราบใดที่สิ่งนั้นยังอยู่นะ มันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ความจริงก็มีอยู่ว่าสิ่งที่ให้ความสุขกัเรานั้นเนี่ยมันไม่เคยอยู่กับเราไปตลอดเลยไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องพรากจากเราไปถ้าไม่ไปเพราะว่าความเสื่อมสภาพตามอายุขัยของมันก็เป็นพ่อมีคนแย่งออกไปจิงออกไป และถ้าเรายิ่งรักมากเท่าไหร่พอสูญเสียสิ่งนั้นไปจะเกิดอะไรขึ้นนะก็ต้องเกิดความทุกข์อาจารย์สมใจเคยเล่ฟังถึงคุณยายคนหนึ่งอายุ 70-80 สนะแดกก็รักนะหวงแหนในทัพทิมนะเป็นของที่รักเป็นของโปรดมากก็มีความสุขที่ได้เห็นมันได้ใสมันได ได้ใช้มันแต่วันดีคืนดีก็มีเกิดทำตกหล่นแล้วก็คนงานก็กวาดทิ้งลงถังขยะไปคงเป็นคนงานต่า ง, างด้าวนะปลวกาแกลมุดล้มสุดเลยนะป่วยเลยทำใจไม่ได้ของที่ให้ความสุขกันเราก็สามารถจะนำความทุกข์มาให้แก่เราได้เหมือนกัน ยิ่งรักมันเท่าไหร่เวลาสูญเสียมันไปก็ยิ่งเป็นทุกข์จะเรียกได้ว่าเป็นทุกข์เพรา ะ, ร, าะรักสุขนี่แหละหรือว่ารักสิ่งที่ให้ความสุขมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะอบอบจคนหนึ่งเยาก็อุตส่าห์ล่าจากราชการมาเพื่อที่จะสมัครแล้วก็ได้ด้วยนะตลอดเวลาที่ ได้เป็นในยกอบ จ, จอก็มีความสุขแล้วก็พยายามที่จะทำงานเมื่อครบววลาะนะแกก็อยากจะเป็นต่อแต่ว่าคราวนี้คู่แข่งอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาเขามีภาษีมากกว่าก็มีคนมีเพื่อนบอกแล้วนะว่าอาจจะสอบตกนะแกก็ไม่เชื่อเพราะแก มั่นทั้งมั่นใจแต่ความมั่นใจจะไม่มากเท่ากับความความหวงแหนความอยากนะความที่จะรักษาตาแหน่งนี้ให้ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องหน้าตาเรื่องเกียรติยศผู้ง่าควรเป็นความสุขของแกก็ไม่อยอมรับคำท้วงติงนะสุดท้ายพอเลือกตั้งผลปรากฏออกมาแกแพ้ ก็แพ้เป็นหมื่นคะแนนก็สุดเลยนะกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่กล้าไปปรากฏตัวที่ไหนในที่สาธารณะพรรู้สึกอับอายรู้สึกว่าล้มเหลวเรียกว่าแทบจะแทบจะป่วยไปเลยนะอันนี้เพราะอะไรนะเพราะความรักรักในตำแหน่งซึ่ง ให้ความสุขนะอันนี้ก็เป็นโลกธรรมอย่างหนึ่งที่เรียกว่ายศนะถ้าเรารักในยศมากเท่าไหร่นะเพราะคิดว่ามันจะให้ความสุขกับเราเมื่อเวลาสูญเสียมันไปก็จะยิ่งทุกข์มากขึ้นหลายคนมีความสุขกับรูปร่างหน้าตาของตัวนะก็พยายามที่จะประคบประงมดูแลเห็นหน้าตัวเองแล้วก็มีความสุข แต่พอเริ่มเห็นผมงอกเริ่มเห็นสิวฟ้าหนังก็เริ่มเหี่ยวย่นทุกเลยนะทุกเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่ตัวเองรักนี่มันกำลังจะแปรสภาพไปถ้าเราลองสังเกตดูนะไม่ว่าสิ่งที่เราคาดหวังหรือเชื่อว่าจะให้ความสุขกับเรา จะเป็นอะไรก็ตามยิ่งเรารักมันเท่าไหรนะ่โอกาสที่เราจะทุกข์เพราะมันนะก็มีมากพอๆกันนะยิ่งรักมากก็ยิ่งทุกข์มากอันนี้ผู้เจ้าเคยตรัสนะกับนางวิสาขานะนะซึ่งเสียหลานไปแกก็เศร้าใจเสียใจมากนะผู้เจ้าก็ตรัสกับนางวิสาขาว่านะ ถ้ามีรักหนึ่งนะก็ทุกหนึ่งถ้ามีรักสิบก็ทุกสิบนะถ้ามีรักร้อยก็ทุกร้อยเนะพราะอะไรเพราะความรักทําให้เกิดความยึดติดนะยึดติดว่าอะไรยึดติดว่ามันต้องเที่ยงแท้มันคงมันจะต้องอยู่ยงคงกระพันหรือว่ามันจะต้องให้ความสุขแกเ่เราเรื่อยไปแต่ว่ามันไม่ใช่เช่นนั้นไง หลายสิ่งหลายอย่างมันก็ยังคงอยู่กับเรานะไม่ได้เสื่อมสภาพไปแต่ว่ารสชาติความอร่อยหรือความสุขที่มันเคยให้เนี่ยมันแปลเปลี่ยนไปไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นรถยนต์โทรศัพท์เทปเพลงนะอย่างเพลงเนี่ยที่เราฟังแล้วมีความสุขกันนะ พอเราเปิดไปสักสิบครั้งยี่สิครั้งหรือว่าเปิดไปทั้งห้าสิบครั้งเนี่ยมันก็ไม่เพลาะแล้วเราก็รู้สึกว่าเกิดความเบื่อขึ้นมาก็ทำให้เราอยู่เฉยไม่ได้ต้องไปหาซื้อของใหม่มาไปหาซื้อไปหาฟังเพลงใหม่มาจริงๆเนี่ยเพียงแค่ลักสุข แล้วก็อยากจะให้ความสุขอยู่กับเรา น, น, นานๆเนี่ยเพียงแค่นี้มันก็ทุกข์แล้วนะเพราะว่าเมื่อแต่กตามที่เราอยากจะให้ความสุขมันอยู่กับเรา น, น, นานๆจากจะให้สิ่งที่ให้ความสุขกับเราอยู่กับเรา น, น, นานๆเนี่ยลึกๆเราก็กลัวนะว่ามันจะแปรเปลี่ยนไปยิ่งอยากเท่าไหร่นะมันก็ยิ่งกลัวนะเราลองสังเกตดูความอยากความกลัวมันอยู่ด้วยกัน อยากจะได้รับความสงบเรามาปฏิบัติทำอยากได้ความสงบก็จะรู้สึกเลยว่ามันมีความกลัวไม่สงบหรือสมมติว่าได้เข้าถึงความสงบนะปฏิบัตินะเมื่อวานนี้สงบมากเลยแต่พอวันนี้ไม่สงบเกิดอะไรขึ้นทุกเลยหลายคนทุกเพราะเหตุนี้นะนะไม่ใช่เพราะว่ามันมี ความเจ็บความป่วยไม่ใช่ว่ามีความสูญเสียอะไรนะเพียงแต่ว่ามันไม่สงบเหมือนเมื่อวานนะเมื่อวานนี่ปฏิบัติดีมากเลยเบาโปรง่งนะพอวันนี้ไม่เป็นอย่างเมื่อวานนี้โอ้ทุกเลยนะแล้มัไม่ใช่ทุกปกติอาจจะทุกมากนะแบบที่เรียกว่าหุดหงิดอึดอัดขัดเคืองเลยนะอันนี้เพราะอะไรเพราะว่าความยึดความรักความหวงแหนในความสุข ในความสงบนั้นในทดลองเดียวกันนะความทุกข์นะความทุกข์เนี่ยถ้าเราเกลียดมันนะความทุกข์ก็จะเพิ่มพูนมากขึ้นคนเรามักจะเกลียดทุกข์แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ก็คือว่าความทุกข์เนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราหนีไม่พ้น ความแก่ความเจ็บนะความป่วยเนี่ยไม่ว่าเราจะเกลียดมันแค่ไหนก็ไม่มีทางหนีพ้นปัญหาคือว่าถ้าเรายิ่งเกลียดมันแล้วพอเจอมันเข้ากับตัวเนี่ยเราจะทุกข์มากขึ้นทำไมคนบางคนเวลาเขาแก่นะเขาก็เป็นปกติ แต่ทำไมคนบางคนพอเห็นริ้วรอยความแก่ถึงเป็นทุกข์นะก็เพราะว่าคนแรกเนี่ยเขายอมรับความแก่ได้ว่ามันเป็นธรรมดาเขาไม่รังเกียจมันส่วนคนที่สองเนี่ยรยังเกียจรังเกียจความแก่นะจริงๆความแก่มันก็ไม่ได้สร้างความทุกข์อะไรมากมายโดยเพราะถ้าเป็นแค่ริ้วรอยความแก่เช่นผมงอกนะีมีฟ้า ผิวหนังเหี่ยวย่นมันก็ไม่ได้ทำให้เกิดความทุกข์อะไรมากนะแต่ที่ทุกข์เพราะอะไรทุกข์ใจที่ทุกข์ใจเพราะอะไรเพราะเกลียดมันหลังเกียดบออ่อยครั้งเนี่ยสิ่งที่เป็นปัญหาไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราแต่เป็นสิ่งที่แต่เป็นเพราะเรารู้สึกกับมันในทางลบมากกว่าให้ความรู้สึกเกลียดชังเนี่ย มันมักจะสร้างปัญหากับเรามากกว่าสิ่งที่เราเกลียดนะลองพิจารณาดูดีๆสิ่งที่เราเกลียดชังความเกลียดชังเนี่ยมักจะสร้างปัญหาให้เรามากกว่าสิ่งที่เราเกลียดยกตัวอย่างง่ายๆนะเอาเปรียบเทียบกับลิงก็แล้วกันนะลิงเนี่ยมันเกลียดกะปิมากลิงมันเกลียดกะปิมากถ้าเกิดว่ามีใครโยนอาหารให้มัน แล้วมันคว้าหมับเข้าไปพอมันกินปั๊บมันก็พบว่ามันมกีกระปีซ่อนอยูนะ่กระปีก็ติดมือมันพอกระปีติดมือมันมันทำยังไงมันเกลียกระปีมากนี่มันก็เอามือที่เปื้อนกระปีนี่แหละถูกับต้นไม้ถูกับหินนะถูเสร็จก็มาดม ถ้ายมีกิ่งกระปีอยู่ก็ถูอีกถูถูถูถูแลโดมโดมแล้วถูมันไม่ชอบกระปีนะแต่มันดมแล้วดมอีกของที่เราเกลียดเราก็ยิ่งดมนะของที่เราเกลียดเราก็ยิ่งคิดยิ่งนึกถึงอันนี้พอมันดมแล้วมันก็ถูถูเสร็จถูไปถูไปปกก็เป็นยังไงมันเริ่มแผลเริ่มเริ่มมีแผลแล้วมือเริ่มถลอกถูอีกก็คราวนี้เลือดไหลซิปๆเลยบางทีเลือดนะไหลอาบเลยนะ เต็มมือเลยคำถามคือว่าอะไรทําให้ลิงมีแผลอะไรทําให้ลิงนี่เลือดไหลถ้าเราตอบว่ากะปินะก็ไม่น่าจะใช่นะพกะปิมันไม่ทําให้มีแผลอยู่แล้วในะสิ่งทำให้ลิงมีแผลทําให้ลิงเจ็บนะทำให้มันมีรอย เดไเนี่ยก็เพราะความเกลียดกะปิกะปิไม่ได้สร้างปัญหาให้กับลิงมากเท่ากับความเกลียดกะปิคนเราบางครั้งก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะหนุ่มสาวนะเพียงแค่เห็นสิวบนใบหน้างตัวเนี่ยหลายคนก็ไม่ชอบรังเกยียจนะแล้วก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะกำจัดสิว แต่ถ้ากำจัดสิวไม่ได้นี่เป็นยังไงทุกมากเลยบางทีกินไม่ได้นอนไม่หลับนะยิ่งเกลียดสิวมาเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นทุกมาทนนั้นที่ประเทศอังกฤษนี่เขามีการสอบถามนะพวกวัยรุ่นหนุ่มสาวนี่เราะว่า10นี่บอกว่าการมีสิวนี่เป็นความทุกข์ที่หนักหนาที่สุดในชีวิตนะ10อยู่นะ แล้วก็บางคนก็ถึงค่าตัวตายนี่ทำไมสิว น, นี่มันมันเลวร้ายมากอย่างนั้นเชียวหรื อ, อสืวมันทำให้เป็นทุกข์มากกว่านั้นเชียวหรื อ, อไม่ใช่นะแต่ความเกลียดสือต้องหากทำให้เป็นทุกข์ความอ้วนก็เหมือนกันนะผู้หญิงหลายคนเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองอ้วนท่านังที่ก็ไม่ได้อ้วนมากนะเพียงแต่น้งหนักอาจจะมากกว่ามาตรฐานนะที่เอาดารา เอาศิลปินเอานักร้องเป็นต้นแบบนะเดีย๋ยวนี้พวกดาราพวกนี้กลายเป็นมาตรฐานของอคนหนุ่มสาวไปแล้วหลายคนก็รู้สตัวเองอ้วนที่จริงก็แค่น้ำหนักเกินนิดหน่อยตามมาตรฐานน้ำหนักเกินกว่ามาตรฐานนิดหน่อยแต่ก็เป็นมาตรฐานที่มันอาจจะสุดโต่งเกินไปก็ได้ความอ้วนไม่ได้ทาให้เกิดปัญหาไมไ่ถึงกระทําให้เจ็บป่วยขนาดนั้น แต่ว่าหลายคนทุกมาก <c oughs> หลายคนเกลียดความอ้วนถึงกับนะไปหายามากินยอมเสียเงินเป็นหมื่น <c oughs> แล้วก็บางทีก็เป็นยาที่อันตรายไปกดประสาททำให้เพี้ยนก็มีแลืเดี๋ยวนี้นี่นมีบางคนนะค้นพบวิธีใหม่นะในการลดความอ้วนรู้ไหมทำยังไง กลืนพยาธตัวต่าเข้าไปนี่ไม่ใช่คนแถวเวียดนามพม่าลาวนะคนอเมริกาถามว่าไอตัวเตื่อความอ้วนเนี่ยอันไหนที่มันสร้างปัญหากันเขาก็ไม่ได้อ้วนอะไรมากนะแต่ว่าเขาเกลียดมากเนียเกลียดความอ้วนมากแล้วพอเกลียดแล้วเนี่ยมันพร้อมจะทําอะไรก็ได้ที่ดูเหมือนว่าไม่ได้ใช้หัวเท่าไหร่หรือว่าใช้หรือทําในสิ่งที่เป็นโทษกับตัวเอง กินตัวตื่เข้าไปนะมันก็ไปโตเอาโตกันยาเป็นฟุตเลยนะั้นในในในกระเพาะแล้วก็ออกลูกออกหลานนะให้ความเกลียดนี่บางทีมันทําให้เราทํำลายตัวเองหรือว่าซ้ําเติมตัวเองทําให้มีความทุกข์มากขึ้นเดิมทีไม่ได้ทุกข์กายเลยแต่พอเกลียดมันก็เลยทุกข์ใจพอเกลียดทุกข์ใจแล้วไปทําทุกอย่างเพื่อที่จะทําให้ความอ้วนหายไปก็เลยทุกข์กายไปด้วย ไห้ความเกลียดเนี่ยมันมันคือปัญหานะมากกว่าสิ่งที่กระทบกับเราหลายคนพอมีเสียงดังก็เป็นทุกข์แล้วก็ไปโทษที่เสียงแต่ว่าถ้าดูใจของตัวเองจริงก็จะพบว่าเสียงไม่ใช่ปัญหาหรอกแต่ว่าปัญหาที่ใจที่มันเกลียดเสียงแต่ถ้ายังมีความเกลียดอยู่นะต่อบใดที่เสียงนั้นยังอยู่ก็จะ ทุรนทุรายกระสับกระส่ายถ้าสามารถจะไปปิดเสียงนั้นได้ ก, ก็จะทําแต่ถ้าปิดไม่ได้นี่ก็จะหงุดหงิดพุ่งพรานมากแล้เาขาไม่รู้แล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาไม่ไอยู่ที่เสียงมาอยู่ที่ความเกลียดเสียงถ้าจัดการตรงนี้ได้เนี่ยทุกอย่างก็เป็นปกติมันมีเรื่องเล่า ว, ว่าน บ, บินอวกาศชาวรัเสเซียเนี่ยรัเสเซียเป็นประเทศแรกที่ส่งน บ, บินอวกาศไปวนรอบโลก พวกเราคงทราบดีไม่ใช่อเมริกาก็มีเรื่องเล่าว่านักบินคนแรกๆเนี่ยนะตอนที่เขาโคจรอยู่อยู่ในอยู่รอบโลกนี่นะเขาตื่นตะลึงกับภาพที่เห็นมากนะโลกนี่มันสวยงามมากนะแล้วก็อยู่บนนั้นนี่ก็สงบนะไม่มีเสียงอะไรเลย ราเครื่องยนต์ก็ไม่ได้ไม่ได้เปิดเขาก็ดื่มด่ำกับความสงบแล้วก็ภาพที่สวยงามที่เราเห็นแต่จู่ๆมันมีเสียงเสียงมันเป็นเสียงที่คล้ายๆว่าเป็นเสียงกระทบกับโลหะคล้ายๆแบบเนี้ยแต่มันเสียงมันแหลมเสียงมันแหลมอาจจะแค่กับเสียงเวลาเราเสียงเวลาเรา เราเลียวรถนะเราจะเรี้ยวรถนะ่ะมันจะมีเสียงทีทแบบนั้นนะมันทำลายความสงบเขาก็เลยหาว่าต้นเสียงมาจากไหนเขาหายัางไงก็หาไม่พบเพราะฉะนั้นก็แก้ไขไม่ได้เสียงมันก็ดังทีแรเขาก็คิดว่ามันก็ดงดังสัก5นาที10นาทีปรากฏว่าผ่านไปครึ่งชั่วโมงก็ยังดังอยู่ จริงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงกันนะแค่สิบนาทีนี่เขาก็เริ่มหงุดหงิดแล้วนะและยิ่งไม่สามารถจะกําจัดเสียงนั้นได้เนี่ยก็ยิง่ง เ, เครียดมากขึ้นเสียงก็ดังไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาคิดว่าเอ้ถ้ามันดังเป็นชั่วโมงหรือมันดังไปจนตลอดการเดินทางเขานี่จะเป็นยังไงพอคิดแค่นี้นี่เขาหงุนง่าเลยนะเขารู้สึกมันก็ว่า ถูกบีบคั้นคือในห้องนักบินเนี่ยปกติมันก็แคบอยู่แล้วนะมันแคบก็อึดอัดอยู่แล้วเพราะสมัยก่อนนี่ไม่มีไม่มีช่องว่างมากเท่าไหร่สภาพก็้าสู่มันอึดอัดอยู่แล้วยิ่ง ม, มาเจอเสียงดังเนี่ยมันก็ยิ่งบีบคั้นจิตใจเขามากขึ้นแล้วเขาเริ่มเริ่มรู้สึกว่าใกล้จะใกล้จะพุ่งพล่านขึ้นมาเสร็จแล้วเขาได้สติ ข, ขึ้นมาเขาก็เลยนึกว่าคิดพูดกับตัวเองว่า ในเมื่อเสียงนี่มันจะต้องอยู่กับเราไปอีกนานเนี่ยแทนที่จะเกลียดเสียงมันทำไมเราไม่ลองรักเสียงนั้นดูความคิดนี่มันมันบอกเขาในเมื่อเสียงนี้ต้องอยู่กับฉันไปอีกนานเนี่ยทำไมจะไม่ทไมไม่ลองรักเสียงนั้นดูแทนที่จะเกลียดมันเขาก็เลยหลับตาแล้วเขาก็จนินตนาการว่าไอ้เสียงที่ดังเนี่ยมันเป็นเสียงเพลงเป็นเสียงเพลง เขาคิดถึงเพลงที่เขาชอบเขาหลับตาอยู่พักหนึ่งพอก็ตื่นขึ้นมาปรากว่าเสียงนั้นหายไปแล้วมันมีเสียงเพลงมาแทนที่จริงๆเสียงนั้นไม่ได้หายนะแต่ความสูงเขาเปลี่ยนไปเขาไม่ทุกกับเสียงนั้นละเพราะอะไรไม่ใช่เพราะเสียงหายแต่เป็นเพราะเขาลดความเกลียดเสียงนั้น ทำใจยอมรับเสียงนั้นมากขึ้นพอทําใจยอมรับเสียงก็ไม่เป็นปัญหาฉะ <Yeah. S 1> นั้นจะได้แม้ว่าไอ้ไอความเกลียดทุกเนี่ยนะหรือว่าเกลียดสิ่งที่ไม่น่าพึงพอใจเนี่ยนะมันเป็นปัญหามากกว่าการที่ต้องเจอกับสิ่งที่มากระทบกับเรา หลายคนนะเวลาเจ็บป่วยความทุกข์ที่เกิดเข้ากับข้าเวลาเจ็บป่วยเนี่ยไม่ใช่เฉพาะความป่วยกายนะแต่ป่วยใจด้วยแล้วความป่วยใจนี่มันสามารถจะทำลายเขาได้มากกว่าความป่วยทางกายชา บ, บ้านคนหนึ่งไปหาหมอไปหาครั้งแล้วครั้งเล่าก็ไม่รู้ว่เป็นอะไรแล้ววันนึงหมอก็บอกว่าป้า ป้าเป็นมะเร็งตับนะอยู่ได้ไม่เกิน3มเดือนแกตกใจมากแกช็อกมากนะกินไม่ได้นอนไม่หลับกลับไปบ้านนะซึมหดถูบอกว่าแ ก, ก, กอยู่ได้แค่12สวันแกก็เสียชีวิตหมอบอกว่าอยู่ได้สมเดือนแตนะ่ทำไมอยู่ได้แค่บสอวันนะที่ตายเลยเป็นาาเพราะมะเร็งมันลุกลามอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่หม อ, หมอพยากรหรือเปล่านะ ก็คงไม่ใช่นะจะเป็นเพราะใจที่ปฏิเสธใจที่ไม่ยอมรับมันเลงใจที่เกลียดมันเลงรวมทั้งเกลียดความตายปฏิเสธความตายด้วยมันเ็งไม่ใช่ปัญหามาเท่ากับความเกลียดมันเลงนะขือที่บางคนเนี่ยนะเขเป็นมันเ็งแต่เขไม่กินยาระงับปวดเลย เขาก็อยู่กับมันได้เวลาปวดมากๆเนี่ยเขาก็พูดกับมันเ็งว่าไม่ใช่เวลาเวลาเขาจะนอนเนี่ยแล้วมันปวดมากๆเนี่ยเขาก็จะพูดกล่อมกล่อมมันเ็งนะบกว่านอนเถอะนะฉันก็ฉันก็จะนอนแล้วแกก็นอนด้วยหรือเธอก็นอนด้วยนะต่างคนต่างต่างหลับก็แล้วกันนะอย่ารบกวนกันเลยเขาพูดกับมัเร็งดีๆเขากล่อมมันเ็ง ความปวดก็มีนะแต่ว่ามันเป็นความปวดที่พอทนได้เพราะว่าเขาไม่มีความรู้สึกเกลียดชังกับมะเร็งนั้นนะแต่ถ้าเกลียดชังมะเร็งเมื่อไหร่เนี่ยนะมันก็เกิดทั้งความทุกข์ใจแล้วก็ไปเพิ่มเติมความทุกข์กายให้มากขึ้นมีหมอคนหนึ่งรล่าใฟังว่าเขาได้รับมอบหมายให้ไปเยี่ยมไข่ผู้ป่วยคนหนึ่งที่บ้านเขาก็ดูประวัติ เห็นประวัตแล้ว ก, ก็หนักใจผู้ป่วยคนนี้เป็นมะเร็งที่ใบหน้ามะเร็งมันกัดกินเนื้อไปแล้วเป็นรูเลยนะเขารู้เลยว่าผู้ป่วยแบบนี้เนี่ยเป็นผู้ป่วยที่ลบาบากหมายถึงว่าเป็นผู้ป่วยที่มีที่เข้าถึงลำบากเพราะว่ามันเจ็บมากแล้วก็คนที่ป่วยแบบนี้เนี่ยจะจะไปไหนมา ไ, ไหนไม่ได้เลยเพราะว่ามันมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อแสงมาก ต้องเก็บตัวเก็บตัวคนไม่ค่อยอยากจะมาหาเพราะภาพก็ดูน่ากลัวแล้วต้องอยู่คนเดียวนั้นก็จะเกิดความทุกข์มากทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจในอเมริกานี่คนป่วยแบบนี้เนี่ย่าตัวตายไปหนึ่งในสเขาก็หนักใจว่าหมอนก็หนักใจว่าจะไปเยี่ยมยังไงแต่ก็คนไข้คนนี้นี่เขา ผู้ชาโอภาปาสัยกับหมอดีมากเลยเป็นผู้ชายอายุ4ี่สิกว่าก็แปลกใจนะคุยไปคุยมานะเขาก็เล่าเรื่องราวเขาให้ฟังว่าเนี่ยเขาเขาเคยเป็นคนสำ เ, เมาเลยเมากินเหล้าเมายาเนะมาหัวราน้ำนะมีครอบครัวก็แยกกันลูกก็ต้องไปอยู่กับแม่พอเข้ามาป่วยแบบนี้เขาก็เลย เข้าใจหรือว่า อ, อ๋อมันเป็นเพราะการใช้ชีวิตของเขาที่มันซัมเมอร์เลเทมอลนั่นเองเขายอมรับได้ก็ยอมรับความเจ็บป่วยได้ว่ามันเป็นเพราะกรรมกรรมคือการกระทําของเขาไม่ใช่อดีตชาตินะแต่ว่าในชาตินี้แหละนี่ฝรั่งนะแต่ว่าสิ่งทําให้เ้ายอมรับกับความเจ็บป่วยที่แตกต่างจากคนอื่นนะ ก็คือว่าเขาก็ให้ให้เราว่าันเนี่ยเขาอยู่บ้านเนี่ยลืมบอกไปว่าบ้านเนี้ยเวลาไปเยี่ยมบ้านเขาเนี้ยบ้านเขาปิดหน้าปิดประตูหน้าต่างเลยแล้วปิดต้องมีปิดแสงไม่ให้เข้าบ้านเขาจะอึมครึมมากเลยนะแล้วเขาจะาไม่ค่อยให้ใครมาเยี่ยมเท่าไหร่วันทั้งวันนี้เขาก็เปิดโทรทัศน์ แสงโทรทัศน์นี่มันไม่ค่อยรบกวนเขามากและช่องที่เขาดูเป็นประจำคือ CNN CNN เนี่ยเขาก็เห็นก็มันมีแต่ข่าวอาชญากรรมข่าวแผ่นดินไหวข่าวสงครามก่อการร้ายความหิวโหวยนะภัยธรรมชาติเขาดูไปดูไปเขาก็ได้เมียคิดขึ้นมาเลยว่า คนเรานี่ไม่ว่าจะรวยหรือจนไม่ว่าอยู่ที่ไหนมันก็ทุกข์กันทั้งนั้นไม่มีใครที่ไม่ทุกข์เลยไอการที่ได้เห็นว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นกับทุกคนเนี่ยทำให้เขายอมรับความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้เขายอมรับได้เขาไม่ชิงชังนะไอโรคมะเร็งที่มันเกิดกับเขายอมรับว่าเป็นธรรมดาของโลกอันนี้ก็ทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะอยู่กับมะเร็งได้โดยที่เขาไม่ได้ทุรนทุรายมาก เพรเพียงแต่หวังว่าจะอยู่ให้นานที่สุดอยู่เพื่อลูกเพราะว่าเขาเนี่ยคิดถึงลูกว่าไม่เคยได้อยู่กับลูกเลยอยากจะอยู่ให้นานบอกว่าเขาอยู่ได้นานกว่าที่หมอพยากรไม่เป็นเท่านะหมอบอกว่าอยู่ได้หกเดือนเขาอยู่ได้เป็นปีแล้วเขาก็ไม่ได้มีความทุกข์ทรมานอะไรผู้ป่วยคนนี้แกเป็นมะเร็งแต่ว่าแกคุยกับหมอได้อย่างปกติต่างจากคนบางคนนะซึ่งเป็นแค่แค่แค่มีสิวรหรือว่าแค่อ้วนนิดหน่อยนะ แต่ว่าทุกข์มากเหลือเกินความแตกต่างอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจคนหนึ่งยอมรับมะเร็งได้คนหนึ่งยอมรับสิวยอมรับความอ้วนของตัวไม่ได้ไม่ใช่ขยอมรัไม่ได้เกลียดด้วยให้ความเกลียดทุกข์นี่มันเป็นปัญหานะปัญหาจริงอาจจะไม่ใช่ความทุกข์เลยเพราะความทุกข์ที่มันมันหนีไม่พ้นแต่ปัญหาคือความเกลียดมากกว่าอันนี้ก็รวมไปถึงเรื่องอารมณ์ด้วยนะ เมอปฏิบัติเนี่ยนะมันก็มีอารมณ์บางอย่างที่เราคิดว่ามันเป็นสุขอารมณ์บางอย่างที่เรามองว่าเป็นทุกข์เช่นความเบื่อความไม่สงบความฟุ้งซ่านความกลัวความโกรธในสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะก็เป็นความทุกข์อย่างที่เราสวดตอนเช้าเนี่ยความโซ่ความลำลายลําพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความแค้นใจที่จีมีมากกว่านั้น เวลาเราปฏิบัติเราก็คงเห็นนะอารมณ์ที่มันเป็นอกุศลนั่นแหละก็เรียกว่าเป็นทุกข์จริงๆมันก็เป็นธรรมดานะแต่ถ้าเราเกลียดมันเมื่อไหร่ถ้าเราพยายามผลักไสมันเมื่อไหร่เนี่ยเราจะทุกข์มากขึ้นหลายคนเนี่ยนะมาปฏิบัติธรรมแล้วทุกข์มากกว่าเวลาอยู่ที่บ้านเนี่ยเพราะว่าใจเนี่ยมันหลั่งเกลียดจง หรือรังเกียจหรือว่าเกลียดชังอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในใจโดยเพราะความฟุ้งซ่านและที่เกลียดความฟุ้งซ่านเพราะอะเพราะอยากสงบเลยรักความสงบก็เลยยิ่งเกลียดความฟุ้งซ่านแทนที่จะดูมันยอมรับมันพอไปชิงชังมันไปเกลียดชังมันก็เลยกดข่มมันพอกดข่มมันก็เลยยิ่งเป็นทุกข์อย่างที่บอกไว้แล้วว่ากดขมม่มบาไม่หายนะยิ่งยิ่งกดมันยิ่งโผล่ บางทีเราปัญหาก็เพียงแต่แก้ด้วยการที่เรายอมรับมันไม่เกียดชังมันมีอาจารย์กรรมฐานคนหนึ่งซึ่งดังมากในอเมริกาชิ่แจ็คคอนฟิลล์ตอนนี้แกเป็นเรียกว่าเป็นเป็นวิ ป, น ป, นปัสสนาจารย์ที่มีชื่ออันดับต้นๆของอเมริกาก็เคยมาบวชที่เมืองไทยบวชกับไปบว่กับหลวงพ่อจำเนียนแล้วก็ไปอยู่กับหลวงพ่อชา เคยเล่ประสบการณ์ตอนที่ปฏิบัติใหม่ๆนะว่ามันมีความกลัวความกลัวเกิดขึ้นเป็นความกลัวที่ไม่รู้ว่ากลัวอะไรนะกลัวความเมืดกลัวกลัวผีสางหรือกลัวอะไรที่ไม่รู้จักมากมายทีแรกก็พยายามกดข่มแต่กดข่มไม่สำเร็จก็พยายามมีสติรู้รู้ว่ากลัวกลัวหนอกลัวหนอกลัวหนอมันก็ไม่หายนะมันเป็นวันๆนะหลายวันนะ จั่งพอถึงจุดหนเขาบอกว่าเออถ้าความกลัวมันจะอยู่กับฉันไปตลอดชีวิตก็ไม่เป็นไรโอเคพอเขาคิดแบบนี้ทําใจแบบนี้นะปรากว่าใจเขาโปร่งเลยนะความกลัวยังอยู่นะแต่ว่ามันไม่ทําให้เขาทุกข์ลวเพราะว่าเขาไม่เกลียดมันอะไรก็ตามถ้าเราเกลียดมันก็เท่ากับว่าเราให้อิทธิพลกับมันเราให้อํานาจมัน ถ้าเราเกลียดสิวก็เท่ากับว่าเราให้สิวมีอานาจต่อเราถ้าเราเกลียดความฟุ้งซ่านของฟุ้งซ่านก็ตะมีอำนาจต่อเราแต่ว่าถ้าเราไม่เกลียดมันยอมรับมันเออมันจะอยู่ก็อยู่ไปเราก็แค่ดูมันแต่เดี๋ยวมันก็ค่อยๆายหายไปแต่ยิ่งเกลียดมันยิ่งมานะไอ้ความสุขมันแปรกันนะความสุขนี่มันเรารักมันนะอยากให้มันอยู่กับเรานานๆแต่มันกลับไม่ค่อยอยากอยู่กับเรานานๆนะ ไอ้ความเกลือเนี่ยเราไม่อยากให้มันอยู่กับเราเลยนะอยากจะพักสายนะแต่มันชอบมาหาเราแล้วหาเราอีกนะคงเหมือนกับหนุ่มสาวเสี่อาจจะรักใครบางคนนะแต่ว่าคนนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยกลับไม่รักเราไอ้คนที่ไม่รักเราเนี่ยมันกลับมาตามตื้อ น, นั่นแหละนะสุขหรือทุกข์เป็นแบบนั้นนะคือยิ่งรักมันเท่าไหร่เนี่ยอยาให้อยู่กับเรานานๆมันกลับไม่อยู่ ยิ่งอยากให้อยู่นามมันกลับยิ่งอยู่กับเราประเดี๋ยวประดาไอ้ความทุกข์นี้ยิ่งเกียดมันเท่าไหร่เนี่ยมันกลับตามตื้อ น, นั่นแหละวิธีที่จะรับมือกับมันคือว่าลดความเกลียดชังมันลงสมมติว่าความทุกข์นี่เขียนเป็นสมการนะว่าทุกเท่ากับเจอสิ่งที่ไม่รักสมมตินะสมการเป็นอย่างเงี้ยทุกเท่ากับเจอสิ่งที่ไม่รักไม่ชอบ ถ้าเราไม่ไม่อยากไม่อยากทุกจะทำยังไงไม่อยากทุกก็คนยากก็ใช้คําก็เติมคําว่าไม่ที่ข้างหน้าคําว่าเจอก็คือไม่เจอสิ่งที่ไม่รักเมื่อไม่เจอสิ่งที่ไม่รักก็จะไม่ทุกข์แล้วทํำยังไงก็พยายามหนีพยายามทําทุกอย่างเพื่อที่จะได้ไม่เจอสิ่งที่ไม่รักไม่ใช่เป็นความแก่ความเจ็บความป่วยความไม่สวยเสียงดังน พยายามที่จะไม่เจอพยายามหนีพยายามไปจัดการกับมันแต่ว่าความทุกเนี่ยหนีไงก็หนีไม่พ้นมันต้องมาและบางครั้งเนี่ยมันมันมาเจอมันมาหาเราอยู่เฉพาะหน้าแล้วเช่นเสียงดังสมมตนะิหรือความป่วยเนี่ยถ้าเราจะใช้แต่ใช้แต่วิธีการหลบหนีคือไม่เจอมันก็จะไม่มีวันสาเร็จ แต่ทำไมเราลองไม่เปลี่ยนนะเปลี่ยนตรงที่คำว่าไม่ชอบก็เป็นชอบซะเมื่อเปลี่ยนคำว่าไม่ชอบให้กลายเป็นชอบนะทุกข์มันก็กลายเป็นไม่ทุกข์ไปนะเหมือนกับที่นักบินอาวากาศเนี่ยเขาเจอเสียงดังเขาหนีไปไม่พ้นเขาก็เปลี่ยนที่ตัวเปลี่ยนที่ใจของตัวเองจากไม่ชอบก็เป็นชอบซะหรือว่าอยู่หรือว่ายอมรับมัน การชอบเนี่ยอาจจะทำใจยากนะแต่ว่ายอมรับมันมันจะมาก็มาต่างคนต่างอยู่นะความกลัวความฟุ้งซ่านความความเบื่อจะมาก็มาฉันไม่เกียดฉันไม่ผักใสเธอแต่ว่าต่างคนต่างอยู่มันก็จะช่วยทำให้ความทุกข์ใจน้อยลง งั้นถ้าเราพิจารณาดูงี้จะเห็นได้ว่าความรักสุขเกลียดทุกข์นี่มันก็มีปัญหาเหมือนกันนะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะรักสุขก็รักไปเถอะนะถ้าเรามั่นใจว่ามันเที่ยงถ้าเราจะเกลียดทุกข์ก็เกลียดไปเลยนะถ้าเรามั่นใจว่าจะหนีมันพ้นแต่ถ้าเราไม่แน่ใจว่าจะหนีมันพ้นหรือเปล่าหรือว่าเมื่อมันมาประจันหน้ากับเรานะอย่างแรกที่ควรทาคือลดความเกลียดให้น้อยลง ส่วนความสุขนะก็รักมันให้น้อยลงก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเมื่อถึงเวลามันจากเราไปเราก็จะได้ไม่ทุกข์มาก okay. อันนี้ก็ฝากไว้สอบเป็นแง่คิดกับการปฏิบัตินะเพราะเราต้องเจอกับสุขและทุกข์อาจจะไม่ใช่เป็นรูปลดกินเสียงที่สัมผัสแต่เป็นเรื่องของอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจ okay. ถ้าเราเจอความสงบแล้วเราเราักมันห่วงแหามันยึดมันเราก็จะทุกข์เมื่อมันหายไป ถ้าเราเกลียดความฟุง้งซ่านเราเกลียดความเกลียดอารมณ์ต่างๆที่เข้ามารบกวนใจเราก็จะยิ่งปฏิบัติอย่างไม่มีความสุขลองฝึกใจเป็นกลางๆดูยอมรับมันดูแลเราก็จะพบว่ามันไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปแล้วก็พูดกันเท่านี้กับพรกแล้กัน